หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ง่ายๆหนึ่งคือให้ผู้อ่านหันมาสนใจฟังพระพุทธเจ้าตรัสสองคือแสดงให้เห็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นความจริงได้อย่างไรผู้เขียนเป็นคนร่วมสมัยกับผู้อา่านเพราะฉะนั้นผู้เขียนจึงคิดแบบเดียวกันสงสัยแบบเดียวกัน รวมทั้งอยากปลงใจเชื่อมั่นได้สนิทแบบเดียวกับผู้อ่านนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับฟังคำถามคาใจของชาวพูธจำนวนหนึ่งซึ่งเหมือนกันราวถอดออกมาจากพิมพ์เดียวคือสงสัยว่าเพื่อปฏิบัติให้ถึงมรรคถึงผลนั้นชาติเดียวทันไหมบารมีพอไหมปัญญาไหวไหมถ้าเพียงเปลี่ยนคาเพียงเล็กน้อย โจทย์ของชีวิตจะต่างไปและมีวิธีได้คำตอบสมเหตุสมผลกว่าเดิมเช่นลองถามตัวเองว่าเป็นมนุษย์พอไหมก็จะได้คิดถึงศักยภาพของมนุษย์อันเปิดเผยแทนการคิดถึงเรื่องชาติเรื่องบารมีลี้ลับหากยังลังเลก็อาจเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเช่นเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพอไหม ก็จะได้คิดถึงหลักฐานเป็นตัวบุคคลธรรมดาที่เคยยืนยันการบรรลุธรรมให้พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันแทนการทึกทักว่าปัญญาข้านี้คงไม่เพียงพอเป็นแน่หากยังไม่ปลงใจสนิทก็อาจเพิ่มปัใจจัยให้เห็นเขาเงาคำตอบชัดเจนถึงที่สุดคือเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา ศรัทธาสติปทานสี่มีใจอุทิศตัวจะสำเร็จไหมเริ่มตั้งคำถามกันอย่างนี้ผลทานจะได้ดูสว่างสวัยขึ้นและคำตอบจะไม่ลอยมาตามลมหรือไม่ผุดขึ้นจากความคาดเดาคเนเองใดๆเพราะพระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งแทงตลอดเยี่ยงสับพันญูเจ้าทั้งหลายรับรองไว้หนักแน่นว่าถ้าทำจริง ต่อให้บารมีน้อยเท่าน้อยก็ต้องถึงที่สุดได้ในเจดปีทุกอักษรในหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนฐานเดียวกับวิธีตั้งคำถามหามรรคผลดังกล่าวหนังสือเล่มนี้จะได้แสดงตามลำดับตั้งแต่เดือนแรกไปจนถึงเดือนที่เจว่าเกิดประสบการณ์ทางใจกันอย่างไรจากภาวะแบบคนธรรมดาสามัญไปจนกระทั่งปรากฏการแห่งมรรคผลอุบัติขึ้น เพื่อป้องกันข้อกังขาต่างๆนาน า, นาผู้เขียนขอทำความเข้าใจไว้สามประการคือประการแรกชื่อหนังสือไม่ได้เป็นคํารับรองว่าผู้เขียนบรรลุธรรมแต่เป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เช่นนี้จะได้เป็นการยุให้ผู้ยังลังเลสงสัยเกิดบันดาลพลังใจเข้มแข็งพอจะลุกขึ้นพิสูจน์ความจริงภายในขอบเขตเวลา ที่แม้ไม่เร็วทันใจแต่ก็ไม่ช้าเกินรอประการที่สองคำว่าฉันตลอดหนังสือเล่มนี้มิได้หมายถึงตัวผู้เขียนแต่เป็นการคัดเอาประสบการณ์จริงตามสถิติที่มักเกิดขึ้นกับผู้ภาวนาทั้งตัวผู้เขียนเองทั้งเพื่อนนัดปฏิบัติธรรมตลอดไปจนกระทั่งครูบาอาจารย์ในอดีต ก่อนพุทธะปรินิพานมาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคอินเทอร์เน็ตแล้วผูกรวมเป็นเสมือนบุคคลคนเดียวโดยหวังว่าผู้อ่านอ่านแล้วจะรู้สึกโดนตัวโดนใจตั้งแต่ต้นจนจบประการที่สามปรากฏการขณะจิตของการบรรลุมรรคผลนั้นผู้เขียนนำมาจากการสาธยายธรรมะในพระไตรปิฎกรวมทั้งอัทธกถาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า นถึงธรรมะจริงแม้การสาธยายลักษณะนิพพานที่จิตเข้าไปรู้ก็มีหลักฐานเป็นพุทธพจน์หาใช่สิ่งที่ผู้เขียนคิดประดิษฐ์ขึ้นจากความคิดหรือจินตนาการแต่อย่างใดสรุปแล้วสิ่งที่จะได้จากการอ่านหรือฟังหนังสือเล่มนี้คือการเห็นภาพสมมุติของบุคคลธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่เพียรปฏิบัติธรรมตลอดเจเดือน อันพอทำให้ยอมลงใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงและพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เป็นทางเดียวที่จะพาไปถึงมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่ยืนยงคงกระพันเป็นสัจจะไม่จํากัดการหมายถึงยังปฏิบัติกันได้ในปัจจุบันหรือเท่าร้อยปีพันปีข้างหน้าสติปัฏฐานสี่ ยังคงบันทึกสืบทอดกันอยู่ผู้คนในยุคนั้นก็จะสามารถปฏิบัติเพื่อถึงมรรคผลนิพพานกันได้ไม่ล้าสมัยแต่อย่างใดเลย <c ười> ข อ, อกล่าวถึงที่มาที่ไปหรือเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้อีกสักเล็กน้อย <c ười> เดิมทีด้วยความปรารถนาจะให้คนร่วมสมัยได้เกิดความศรัทธาพระพุทธองค์นั้น ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจจะเรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ให้อ่านเข้าใจง่ายด้วยภาษาร่วมสมัยโดยยกพระพุทธพจน์ขึ้นตั้งแล้วแจกแจงตามลำดับว่าในฐานะผู้ปฏิบัติตามนั้นเมื่อทำเป็นขั้นขั้นแล้วเกิดผลอย่างไรหากติดขัดอุปสรรคอันใดแล้วจะผ่านไปได้ด้วยวิธีไหนหนังสือดังกล่าวคือมหาสติปัฏฐานสูตร มีอยู่ทั้งหมดสองเล่มเล่มแรกเขียนเสร็จแล้วส่วนเล่มจบยังอยู่ในระหว่างทางอันครุกระอย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากผู้ศึกษาหนังสือเล่มแรกก็ทำให้ผู้เขียนเห็นตามจริงว่าเนื้อหายังหนักเกินไปสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีความสนใจการภาวนาพอเห็นสับแสงธรรมะที่ไม่เคยคุ้นแล้วถอดใจ ไม่มีความอุตสาหะพอจะอ่านและทำความเข้าใจให้ทั่วถึงตลอดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้พอมองเห็นล่วงหน้าว่าเล่มจบคงไม่เป็นมิตรกับมือใหม่ยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากผู้เขียนตรักเตรียมเนื้อหาทั้งข้อใหญ่ข้อย่อยไว้ละเอียดยิบคนที่จะอ่านสนุกได้คงต้องมีพื้นฐานภาคทรษฎีและปฏิบัติมากแล้ว ผู้เขียนจึงตัดสินใจชะลอการออกหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรเล่มจบไว้ชั่วคราวแล้วขั้นกลางด้วยหนังสืออ่านง่ายสบายตาทั้งสำหรับมือใหม่และมือเก่าในภาษาเชิงพรรณนาให้เห็นภาพมากขึ้นรวมทั้งอ้างอิงพุทธพจน์เฉพาะจุดที่จำเป็นรวมแล้วเนื้อหาก็คือ การพนวกเอามาหาสติปัฏฐานสูตรเล่มแรกกับเล่มจบไว้อย่างย่นย่อกระทัดรัดนั่นเองเชื่อว่าถ้าทําความเข้าใจกับเนื้อหาของหนังสือเล่ม น, นี้จบ<ๆ>ก็จะสามารถย้อนกลับไปอ่านมาหาสติปัฏฐานสูตรด้วยความเข้าอกเข้าใจชัดเจนขึ้นผู้เขียนเข้าใจดีว่าหนังสือธรรมะปฏิบัติที่อ่านง่ายที่สุดต้องใช้ประโยคและถ้อยคําบอกเล่าอันเป็นประสบการณ์สามัญล้วน แต่ความจริงคือถ้าไม่มีศัพท์บัญญัติให้เรียกขานบ้างเลยความทรงจำของคนเราจะพร่าเลือนจับต้องยากเพราะฉะนั้นศัพทธรรมะจึงต้องปรากฏในหนังสือเล่มนี้ประปรายแต่เมื่อปรากฏในที่ใดเป็นครั้งแรกก็จะพยายามอธิบายความหมายไว้ให้ง่ายที่สุดขอให้ผู้อ่านยอมสละเวลาทำความเข้าใจบ้างเพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อไป อาการน้อมปักใจเชื่อเป็นมโนกรรมชนิดหนึ่งและกรรมในชาตินี้จะพยายามรักษาเราไว้ในเส้นทางเดิมในชาติถัดๆไปกล่าวคือเมื่อเกิดใหม่ย่อมมีแนวโน้มจะเชื่อเช่นเดิมหากชาตินี้ปักใจเชื่อไปจนตายว่าเราไม่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลชาติหน้าแม้พบพระพุทธเจ้าก็คงมีกําลังใจอ่อน อาจทำบุญอธิษฐานขอไปบรรลุมรรคผลในพุทธการต่อต่อไปอยู่ดีแต่หากเป็นตรงกันข้ามปักใจกับตนเองว่าจะเชื่อเรื่องบรรลุมรรคผลได้จริงด้วยการเพียรเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องไม่ช้าไม่นานต้องสำเร็จผลดังพุทธภยากรเช่นนี้อย่างไรก็ไม่ขาดทุนด้วยความสุขอันเกิดแต่สติในปัจจุบัน และแม้พลาดมรรคผลในชาตินี้เข้าจริงๆเพราะถึงอายุไขซะก่อนชาติต่อไปก็ต้องมีนิสัยทางความคิดแบบเดิมบำเพ็ญเพียรหนักแน่นเข้าอีกแล้วในที่สุดย่อมแก่กล้ากระทั่งเข้ากระแสจนได้การเจริญสติปัฏฐานสเป็นพรในตัวเองและเที่ยงที่จะให้ผลเป็นการบรรลุธรรมตามคำพยากรณ์ของพระพุทธองค์ ดังนั้นผู้เขียนจึงไม่อวยพรง่ายๆเพียงขอให้ทุกท่านบรรลุมรรคผลแต่ขอให้ลองทําตามพุทธพจน์จริงจังสักปีหนึ่งเถิดจะทราบเองโดยไม่ต้องฟังคนโน้นทีคนนี้ทีว่าเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาศรัทธาสติปัฏฐานสี่มีใจอุทิศตัวจะสําเร็จประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่ขอให้อา น, นิสงส์จากการเขียน จงได้แก่ผู้ที่มีโอกาสอ่านหรือมีโอกาสฟังทุกท่านเทินหลงชื่อดังตรินตุลาคมปีพุทธศักราช2546หมายเหตุผู้เขียนคือคุณดังตรินนะครับแต่หลายคนกลับเข้าใจผิดว่าเสียงที่ท่านกำลังได้ยินนี้เป็นเสียงคุณดังตรินจริงๆไม่ใช่นะครับ คุณดังตรินเขียนและผมโจโฉนำมาบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่แจกฟรีเท่านั้นสำหรับเรื่องนี้บันทึกเสียงในปีพุทธศักราช2558ห่างจากพอสอที่เขียนไว้นานพอสมควรซึ่งในปีปัจจุบันคุณดังตรินได้เขียนหนังสือมหาสติปฐานสูตรครบแล้วนะครับด้วยภาษาที่อ่านง่ายสามารถติดตามได้ทั้งรูปแบบหนังสือและเสียงอ่านหนังสือเช่นเดียวกันติดตามเสียงอ่านหนังสืออีกมากมายได้ฟรีที่ o จโฉด .net j o z h o .n e t หรือติดตามงานของคุณดังตรินอ่านหนังสือฟรีได้ทุกเล่มที่ d a n g t r i n .c o m ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านนะครับ